แนะนำบทอัลมาอาริดบทอัลมาอาริดเป็นบทมัคคิยาะมี44องค์การบทนี้เริ่มกล่าวถึงความเกลียดกราดของชาวมักกะความหยิ่งยโสต่อท่านรอซูลสุลลัลวะไลวะสลัมด้วยการไม่เชื่อฟังแสดงอาการเย้ยหยันต่อการตัดเตือนและการลงโทษที่พวกเขาพึงจะได้รับกล่าวถึงความกำเริบเสบสารของพวกเขาคือการที่อันนั้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 มีสภาพคลายขนสัตว์สีต่างๆ ต, ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นคนกดกลุ่มรุ่ ม, ร, มร้อนเมื่อประสบกับความทุกข์ยากไม่พอใจเมื่อได้รับความดีพวกเขาจึงหวงแหนสิทธิของคนยากจนบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุวมินผู้ศรัทธาและคุณลักษณะอันเด่นชัดที่บ่งชี้ถึงการมีมรนยากอันประเสริฐ และได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่เอา ล, ล้อทรงจัดเตรียมการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่พวกเขาในสวนส ว, นสวนรรค์อันสุขสมดั่บท น, นี้ได้จบลงด้วยการสาบานต่อพระเจ้าแห่งสากลโลกว่าการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนนั้นเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยและ ว, ว่า ล, ล้อนั้นทรงอนุภาพที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าพวกเขา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 การลงโทษนั้นมาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของทางขึ้นสู่เบื้องสูงมาเลากดาและอารวห์จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปีของโลกนี้ แต่นั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิดแท้จริงพวกเขามุสริมจีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกลตแต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องใกล้วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลายและบรรดาภูเขาเป็น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 เพื่อที่ใจเขารอดพ้นจากการลงโทษไม่เลยแท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชนนางศีรษจะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรกมันจะเรียกผู้ที่ผิสนหลังละหันเหออกจากความจริงและสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้ ถ้้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไวสสหวเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ่มและเมื่อคุณงามความดีประสบแก่เขาเขาก็หวงแหน นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาดบรรดาผู้จะลงมั่นในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำและบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว้ิลลวม สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอและบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทนทุกวันที่ยามาและบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาอินนั้นอาดับรับบิห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 แต่บรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายอัมนะของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขาออลนมิดและบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขาอลีนิย และบรรดาผู้ดำรงรักษาการละหมาดของพวกเข า, า, นามมชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายโดยเป็นผู้ได้รับเกียรติมีอะไรเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ที่วิ่งกระสือกระหอบมายัางเจ้าม uh ูฮัมหมัดพวกเขานั่งเป็นกลุ่มๆทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้ามมแต่และคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระ น, น, นั้นหรือข้อ1น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 ดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริงจนกว่าพวกเขาจะได้พบกับ ว, วันเกียยมาซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่าง รีบเร่งคลายกับพวกเขาวิ่งกลูไปยังจเวตของพวกเ ข, าข้าสายตาของพวกเขาจะละห้อยเศร้าสลดความอัพยะจะปกคลุมพวกเขานั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้